เลเกลือการลีครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคนในหมู่บ้านที่คนโตรวยมากแต่คนรองนั้นจนมากๆคนหนึ่งจะใช้เงินหรูหราในทุกงานเทศกาลในขณะที่อีกคนจะไม่มีอะไรเลยแม้แต่อาหารจะกินหรือเสื้อผ้าจะใส่ยังไม่มีครอบครัวของเขามักจะอดยากเพราะเขาไม่มีเงินเลย วันหนึ่งเขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายพี่ลูกฉันหิวมากเลยขอละให้ฉันได้ยืมเงินหน่อยเอถอะฉันจะได้ซื้ออาหารให้พวกเขานะนายมาที่นี่เพื่อขอเงินตลอดเลยฉันไม่มีอะไรจะให้นายแล้วไปเขาเสียใจเพราะพี่เลยออกมาจากที่นั่นระหว่างทางกลับบ้าน เขาเจอชายแก่ที่ถือไม้เป็นกองโ อ, เ, อเดี๋ยวก่อนครับมันน่าจะหนักนะให้ผมช่วยดีกว่าโ อ, โ, อโอ้ขอบคุณเป็นอะไรล่ะทำไมถึงดูเศร้านะผมไม่รู้จะทำยังไงครอบครัวผมกำลังหิวตายผมหาอาหารใ้พวกเขาไม่ได้ผมหมดทางเลือกแล้วผมจะทำยังไงดี ยังงั้นเหรอท่านช่วยเธอได้ถ้าเธอช่วยเอามาให้กลับบ้านทัานจะเอาอะไรให้ที่จะทำให้เธอรวยได้ครับเขาถือไม้ตามชายแก่ไปที่บ้านขอบคุณนะวางไว้ตรงนี้เลยขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วทำให้เธอรวยหลังจากนั้น เอาให้ขนมปังหวานและบอกว่าเอานี้ไปที่ป่าเมื่อเธอเดินไปก็จะเจอต้นพลัมสามต้นหลังต้นไม้ปูก น, นั้นจะมีเนินเขาดูดีๆก็จะเห็นกระท่อมเล็กๆไปที่กระท่อมนั้นจะเจอคนแคระสามคนพวกเขาชอบขนมปังหวานมากพวกเขาจะต้องซื้อมันจากเธอแน่เอาให้พวกเขา แต่ะขอเงินจากพวกเขาแต่เธอจะต้องขอเครื่องบดที่ทาจากหินแทนเขาทำตามคำสั่งของชายแก่เข้าไปที่ป่าหลังจากผ่านต้นไม้หลายตน้นเขาก็เจอต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อดูใกล้ใกล้เขาก็เห็นว่ามันเป็นต้นพลัมสามต้นเมื่อเดินไปที่ต้นไม้เขาก็เห็นกระท่อมหลังต้นพลัม เมื่อเขาเข้าไปในกระท่อมคนแคระเลยตะโกนใส่เขาเจ้าคือใครเข้ามาข้างในได้ยังไงเอ่อฉันเจ่ อ, น อ, อจนแน่แน่เจ้าจะมาขโมอยอะไร อ, อ, อะไรนะฉันไม่ได้เป็นโจรอะคือว่าฉัานออตอนนั้นคนแคระเห็นขนมปังหวานในมือเขาทัานทีพวกเขาก็หายกรบหนึ่งในนั้นพูดว่า เราต้องได้ขนมปังหวานนั่นเจ้าจะอะไรกับไปเป็นการตอบแทนก็ได้อาได้งั้นฉันให้นายก็ได้แต่ว่านายจะต้องให้ที่บด ท, ที่ทำจากหินกับฉันอะเรายอมแต่จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่เครื่องบดธรรมดาธรรมดาเมื่อเจ้าบดไปเรื่อยๆมันจะทาให้ความหวังทุกอย่างของเจ้าเป็นจริงและถ้าเสร็จแล้วก็ปิดมันด้วยผ้าแดงมันจะทำให้เครื่องโม่หยุด เขาจะเอาเครื่องโม่มาจากคนแคระและกลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านเขาเห็นครอบครัวของเขานั่งหิวอยู่บนพื้นเขาให้ภรรยาของเขาเอาผ้ามาปูพื้นหลังจากนั้นเขาเอาเครื่องโม่วางไว้แล้วโม่ไปเรื่อยๆเครื่องโบสเครื่องโบสขอแกงกะหรี่หน่อยเถอะเครื่องโบดขอแกงกะหรี่หน่อย เครื่องบดให้แกงกะหรี่ออกมาหลังจากนั้นเขาเอาผ้าแดงคลุมเอาไว้และเครื่องบดก็หยุดผลิตแกงกะหรี่ทันทีเขาเอาผ้าออกแล้วบดใหมเ่เครื่องบดเครื่องบดก็ข้าวหน้อยนนเครื่องบดเครื่องบดก็ข้าวน้อยไม่นานเครื่องบดก็ให้ข้าวจำนวนมากพวกเขากินกันจนอิ่มหนับทุกวัน เขาจะใช้เครื่องโม้เรื่อยๆขออะไรหลายๆอยา่างแป้งถัว่วและอะไรอีกมากมายหลังจากนั้นเขาเอกขอไปที่ตลาดเพื่อไปขายเขาได้เงินเยอะมากหลือจากนั้นไม่นานเขารวยมากเขาสร้างบ้านใหญ่โตให้ตัวเองและครอบครัวทุกคนมีเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่ทุกคนมีความสุขเว้นแต่ พี่ชายเขาที่อิดชามากมันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อวันก่อนนายังไปขอเงินฉันอยู่เลยนะอยู่ดีๆรวยขึ้นมาได้อย่างไรนี่ต้องมีอะไรแปลกๆ แ, แนะ่พี่ชายแอบซ่อนในบ้านของน้องชายเขาเพื่อหาความจริงไม่นานเขาก็รู้ความจริงหลังจากนั้นเขาขโมยเครื่องโม่แล้วตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปกับครอบครัว ไปเร็วไปเร็วพวกเราไม่ห่างไกลาจากหมู่บ้านจะมีชายฝั่งเขาไปถึงชายฝั่งแล้วออกเดินทางกับครอบครัวไปในเกาะที่ห่างไกลระหว่างทางเขาตัดสินใจทดสอบเครื่องบดเครื่องบดโอ้เครื่องบดเขาเกลือหน่อยสิเครื่องบดเขาเกลือหน่อยเครื่องบด เ, เ, เ, เ, เริ่มผลิตเกลือเรื่อย หลังจากนั้นเขาไม่รู้ว่าจะหยุดเกลื อ, อยังไงเครื่องบดผลิตเกลือเรื่อยๆหลังจากนั้นน้ำหนักก็มากไปจนเรือจมทำให้ทุกคนจมน้าลงไปถ้าเขาไม่อิจฉาน้องชายเขาพี่ชายกับครอบครัวของเขาก็คงจะมีความสุขตลอดไปนี่เป็นสาเหตุที่เราไม่ควรอิจฉาคนอื่นและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมี มันจะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการอะไรมากไปอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนแล้วไปขอของเล่นใหม่จากพ่อแม่หรือทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าพวกเขามีของเล่นที่ดีกว่าพี่ชายคนนั้นท้าเหมือนกันและเราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบอกมาว่าอิจฉาใครหรือเปล่าไม่เราจะไม่ทำผิดแบบนั้นใช่เราจะไม่ทำผิดแบบนั้นแนะ่ ははは